วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมการอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นขั้นตอนขั้นที่หนึ่งของการบำเพ็ญเพื่อมรักผล น, ผนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ทุกคนที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทุกคนที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจำเป็นจะต้องบาเพ็ญทมขั้นที่หนึ่งนี้คือการฟังเทศฟังธรรมที่เรียกว่าปริยติธรรมแปลว่าการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าี้เป็นความรู้ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนความรู้ที่จะสอนให้ผู้ปรารถนาการบุกพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดปรารถนามากผลไม่พานได้รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอย่างไร จะต้องปฏิบัติอย่างไรเพราะมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวในโลกนี้ที่รู้วิธีการบําเพ็ญวิธีการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นทุกคนที่ต้องการจะหลุดพ้นต้องการมรรคผล น, นิพพาน ก็จะเป็นสาวกก่อนคำว่าสาวกก็คือผู้ฟังนี่เองต้องเป็นผู้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ฟังหรือไม่ศึกษาสมัยนี้เรานอกจากฟังแล้วเรายังอ่านได้ดูได้เพราะว่าเรามีสื่อต่างๆที่ในสมัยพุทธกาลไม่มีกัน สมัยพุทธกาลนี้อาศัยการฟังเพียงอย่างเดียวเพราะไม่มีสื่อคือการเรียนการอ่านหนังสือคนส่วนใหญ่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ก็เลยต้องอาศัยการฟังเป็นหลักฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าถ้าต้องการที่จะ หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้าต้องการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานจะต้องทำอย่างไรบ้างทุกๆคนต้องศึกษากันต้องผ่านขั้นตอนขั้นที่หนึ่งไปก่อนถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไร ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ไม่สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้การศึกษาจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมากต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติพอถ้าไม่ได้ศึกษาแล้วการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ย่อมเป็นไปไม่ได้และเมื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่มีการบรรลุมรรคผลนิพพานการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จำเป็นจะต้องศึกษาจำเป็นจะต้องมีปริปรยัติธรรมเมื่อได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วว่าจำต้องปฏิบัติอะไรก็ต้องดำเนินไปสู่ขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติธรรม ขั้นแรกก็เรียกว่าปริยัติธรรมขั้นที่สองก็คือปฏิบัติธรรมต้องศึกษาก่อนถึงใจไปปฏิบัติธรรมได้จึงต้องมีอาจารย์ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมจึงต้องมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนี้เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ฟังเป็นสาวก การจะเป็นผู้ฟังก็ต้องมีผู้สอนผู้บอกถึงจะสามารถฟังได้ถึงจะสามารถเป็นผู้ฟังได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นผู้ฟังเพราะไม่มีใครรู้วิธีการที่จะบำเพ็ญเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ เมื่อไม่มีผู้สอนผู้ฟังก็เลยไม่สามารถจะเป็นผู้ฟังได้ก็เลยต้องกลายเป็นผู้ค้นคว้าหาวิธีหาทางด้วยตนเองการค้นคว้าหาวิธีการปฏิบัติหาทางสู่การหลุดพน้นจึงเรียกว่าเป็นพุทโธเป็นพระอาหารหันตะสัมมาสามพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสรุ ทำที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดด้วยตนเองมีคนเดียวเท่านั้นในในโลกนี้ในแต่ละยุคของพระพุทธศาสนาจะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นลอกจากนั้นแล้วผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจะไม่ได้เป็นเป็นพระพุทธเจ้า แต่จะเป็นพระอาหารหันตสาวกจะมีเพียงพระพุทธเจ้าคือพระอาหารหันตสัมมาสาัมพุทธเจ้าเพียงหนึ่งพระองค์เท่านั้นในแต่ละสมัยของพระพุทธศาสนานังนั้นผู้ที่ได้ดลุดพ้นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผล น, ผนิพพานนี้เป็นสาวกทั้งนั้นเพราะเป็นผู้ที่ต้องได้ยินได้ฟังธรรม ของพระพุทธเจ้ามาก่อนถึงจะนำเอาไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องศึกษาไม่ว่าจะจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ถ้าไม่มีก็อาศัยพระธรรมคำสอนที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้านี้ เช่นพระธรรมคำสอนที่ได้มีการบันทึกไว้ในสื่อต่างๆในพระไตรปิฎกในสมัยนี้ก็มีแผ่นเสียงแผ่นซีดีหรือฟังพระธรรมคำสอนผ่านพระอารยสงสาวกอันนี้ก็เป็นการศึกษาเป็นการปริยัติธรรม การศึกษาการปริยัติธรรมนี้ไม่ได้เป็นตัวผลที่เราต้องการไม่ได้เป็นผลสุดท้ายเป็นผลขั้นที่หนึ่งที่เราต้องการคือศึกษาเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะต้องบาเพ็ญอะไรกันต้องปฏิบัติอะไรกันถ้าศึกษาแล้วแล้วรู้แล้วแต่ไม่ปฏิบัติไม่บาเพ็ญการบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ยังไม่เกิดขึ้นมาได้การศึกษานี้ศึกษาเพื่อให้นําไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันเป็นการบําเพ็ญขั้นที่สองเพื่อมรักผลนิพพานพอเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันเราก็ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ปฏิบัติเต็มสูตร ให้ครบร้อยครบองค์องคส่งสอนให้เจริญมรรคมรรคก็คือทานศีลภาวนาที่เป็นทางสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาเกิดที่เป็นทางสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานจําเป็นจะต้องบําเพ็ญทานศีลภาวนา การบําเพ็ญทานศีลภาวนานี้ก็มีหลายระดับด้วยกันระดับต่ําระดับกลางไปจนถึงขั้นระดับสูงคือการบําเพ็ญมากน้อยนั่นเองในเบื้องต้นเราก็บําเพ็ญกันบ้างแต่ไม่มากเนื่องจากเรายังไม่มีเวลา ที่จะมาบำเพ็ญกันได้อย่างเต็มที่เช่นเราเป็นผู้ครองเรือนเรายังมีภารกิจการงานต่างๆที่เรายังต้องทำอยู่เรายังมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เรายังต้องใช้ใจ่ายอยู่การทำทานของเราก็เลยยังทำได้ไม่เต็มที่ทำได้เพียงบางส่วน ส่วนไหนที่เรามีมากเกินความจำเป็นเราก็เอามาทำฐานได้แต่ส่วนที่เรายังต้องมีเอาไว้ใช้เราก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนส่วนที่เรายังต้องหาเราก็ยังต้องหาไปก่อนเมื่อเรายังมีการหาเงินหาทองอยู่มีการใช้เงินใช้ทองอยู่ การทำทานเราก็ยังจะไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่การรักษาศีลก็ไม่สามารถรักษาได้ตลอดเวลาเพราะการทำงานทำการการเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆก็อาจจะมะีเหตุทำให้ไม่สามารถ รักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ตลอดเวลาบางครั้งก็อาจจะมีการพังเผล่ทำผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งได้อันนี้เป็นการบำเพ็ญในขั้นต้นหลังจากที่เราได้มาศึกษาได้ยินได้ฟังว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ กันที่เราจะบรรลุว่าผลนิพพานได้เราจำเป็นจะ ต, ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนากันแล้วในเบื้องต้นเราก็อาจจะบำเพ็ญไปตามฐานะตามโอกาสของเ ท, ท่าที่เราจะทำไปได้ไปก่อนทำทานไปตามวาระตามโอกาสตามกำลัง รักษาศีลไปตามความสามารถแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างก็มาบำเพ็ญภาวนามาหัดนั่งสมาธิมาหัดเจริญสติการ น, านั่งสมาธินั้นจำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิคือความสงบ ถ้าไม่มีสติใจก็จะลอยไปลอยมาไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะไม่สามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ถ้าไม่มีสติเป็นผู้ดึงใจจะไม่เข้าสู่สมาธิโดยตนเองถึงแม้จะนั่งเฉยๆนั่งหลับตาถ้าไม่มีสติใจก็จะเคล็ดเรื่อยเรปลื่อยไปเรื่อยๆ จะไม่เข้าสู่สมาธิโดยอัตโนมัติการนั่งสมาธินี้จำเป็นจะต้องมีสติไว้ดึงใจให้เข้าสู่สมาธิถ้าไม่มีสตินั่งไปกี่ชั่วโมงก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาใจก็จะไม่สงบดังนั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิผู้บาเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องจเจริญสติก่อน การเจริญสติก็คือการคอยดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องคิดวิธีที่จะดึงใจก็ใช้คาบริกรรมพุทโธพุทโธไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ถ้ากิจกรรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้ความคิดก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปเช่นกำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน ห ว, วีผมแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเดินทางไปสู่ที่ทำงานเป็นเวลาที่เราสามารถเจริญสติกันได้ถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าเราไม่ใช้คำบริกรรมก็ให้ดึงใจให้จดจอ่อเฝ้าดูการกระทำของร่างกายไป ให้ใจอยู่กับการกระทํำของร่างกายไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่นกําลังอาบน้ําก็ให้อยู่กับการอาบน้ํากําลังแปรงฟันล้างหน้าก็ให้อยู่กับการแปรงฟันล้างหน้ากําลังหวีผ้าหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผ้าหวีผมอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติเป็นการดึงใจไม่ให้ลอยไปตามกระแสอารมณ์ความนึกคิดต่างๆะ ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถดึงใจให้อยู่กับที่ได้ไม่ให้ลอยไปลอยมาแล้วเวลาเรามีเวลาว่างเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาเราก็ใช้สตินี้ดึงใจเข้าไปข้างในได้เข้าไปสู่สมาธิได้ถ้าเรามีสติถ้าเราพุโทโธเราก็พุโทโธไปถ้าเราดูร่างกายเวลานั่งเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไป ดูเฉยๆเหมือนกับเราดูร่างกายดูร่างกายอาบน้ำล้วก็ดูเฉยๆดูร่างกายหวีผ้าหวีผมเราก็ดูเฉยๆพอเรานั่งเฉยๆพอร่างกายนั่งเฉยๆเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปดูเฉยๆดูว่าลมกำลังเข้าลมกำลังออกดูว่าลมยาบหรือลมละเอียดลมสั้นหรือลมยาวหรือลมหายไปเลย ก็ให้ดูเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมเวลาลมหายไปก็ไม่ต้องอไปหาลมอย่าไม่ต้องไปดึงลมให้ลมกลับมาถ้ามีความรู้สึกว่าไม่มีลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ไปเฉยๆไม่มีปัญหาอะไรไม่ตายอย่างแน่นอนเพราะลม ที่หายไปนะั้นมันละเอียดจนนะเราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เท่านั้นเองเขอให้รู้ต่อไปรู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิไปถ้าเราไปกว้านหาลมเราก็จะทำให้ใจไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้ ต้องอย่าไปทำอะไรกับลมให้รู้เพียงอย่างเดียวถ้าบริกรรมพุทธโธก็บริกรรมพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะสงบจะสงบแล้วสงบอย่างไรอะไรต่างๆไม่ต้องไปคิดให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปไม่รู้ไม่ชี้ว่าเวลาจิตจะรวมรวมอย่างไรจะตกหลุมตกบ่อตกเหวอย่างไรก็ไม่ต้องไป คาดไปหมายไม่ต้องไปคิดถึงให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อันนี้เป็นการปฏิบัติครั้งแรกขั้นต้นๆการนั่งสมาธิก็ต้องมีครั้งแรก แล้วนั่งแล้วจะสงบไม่สงบนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้ได้นั่งก็แล้วกันแล้วจะได้รู้ว่าไม่สงบเพราะอะไรเพราะว่าสติมีหรือไม่ควบคุมความคิดได้หรือไม่ให้ความคิดอยู่กับพุทธโธเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่หรือให้จิตอยู่กับการดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่หรือยังคิดไป วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆอยู่ถ้าคิดก็จะได้รู้ว่ากำลังสติยังมีไม่มากพอยังไม่สามารถดึงใจให้ออกจากความคิดต่างๆได้อันนี้ก็ต้องกลับไปเจริญสติการนั่งนี้ก็เป็นการดูทดสอบสมรรถภาพของสติว่ามีมากมีน้อยถ้านั่งแล้วไม่สงบ ก็จะได้รู้ว่าต้องไปเจริญสติให้มากขึ้นไปต่อไป <Yeah. S 1> นี่คือเรื่องของการบาเพ็ญทานศีลภาวนาในขั้นต้นๆจะมีเวลาไม่มากเพราะเวลาส่วนใหญ่จะหมดไปกับการเลี้ยงดูร่างกายดูแลร่างกายไปหมดไปกับการทรมาหากินหาเงินหาทองแล้วก็ จะหมดไปกับการทากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อเป็นการบันเทิงเพื่อเป็นการเรื่อนเริงเพื่อการเป็นการหาความสุขให้กับใจซึ่งเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาได้เวลาความสุขนั้นจางหายไปแต่ก็เป็นวิธีที่หาความสุขของปุถุชน ของผู้ที่ยังไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบ ก, ก็ต้องหาความสุขกันหาความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงมหอระศกล้องรำทำเพลงไปงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรต่างๆเหล่านี้ เวลาส่วนใหญ่ก็เลยจะหมดไปกับกิจกรรมเหล่านี้จึงมีเวลาให้กับการมานั่งสมาธินี้น้อยมากบางท่านก็อาจจะนั่งสักครึ่งชั่วโมงก่อนนอนแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็อาจจะนั่งอีกสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นการบาเพ็ญ เบื้องต้นเป็นอยู่ในขั้นชิมอาหารเวลาเราชิมอาหารเราก็ไม่ได้รับประทานทั้งจานเราก็ตักขึ้นมาสักช้อนหนึ่งหรือครึ่งช้อนมาแตะกับลิ้นดูว่าเป็นอย่างไรนี่ก็คือลักษณะของการบันเพนมักสู่เพื่อสู่ เพื่อสู่การดุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการบมเพ็ญมักเพื่อมักผลนิพาน เ, าเราก็ทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆอทำทานเราก็ยังทำได้เพียงเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเรายังต้องเอาเงินทองที่เราหามานี้ไปใช้กับกิจกรรมต่างๆจึงแบ่งมาให้กับการทำทานได้เพียงเล็กน้อย อาจจะร้อยละหนึ่งของสมบัติที่มีอยู่หรือร้อยละห้าหรือร้อยละสิบแต่จะทําทานแบบพระพุทธเจ้าแบบพระสาวกนี้ยังทําไม่ได้เพราะยังต้องใช้เงินทองไปกับการกับกิจกรรมต่างๆแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นควรจะหัดทําทานกันควรจะแบ่งเงินทองที่หามาได้นี้เอ อาจจะต้องแลกเปลี่ยนกับการไปทำอะไรบางอย่างเช่นเกยเอาเงินก้อนนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเช่นรองเท้าใหม่กระเป๋าใหม่เสื้อผ้าใหม่ที่เรามีพอเพียงอยู่แล้วเราก็แบ่งเอาเงินก้อนนี้มาทำทานกันมาซื้อข้าวซื้อของไปใส่บาตรไปถวายพระ หรือจะเอาไปทำทานกับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการให้เหมือนกันทานแปลว่าการให้อันนี้ทำไมเราต้องให้เพราะการทำเพราะการให้นี้จะทำให้เกิดบุญคือความสุขใจจะเกิดการดับความทุกข์ใจไปได้เล็กๆน้อยๆส่วนหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดจากการที่อยากจะไป ซื้อข้าวซื้อของที่ไม่จําเป็นต่างๆถ้าเราเลือกไปซื้อของที่ไม่จําเป็นโดยเอาเงินที่จะไปซื้อของไม่จําเป็นนี้มาทําทานเราไปเราจะไม่มีความทุกข์กับการที่อยากจะซื้อข้าวของที่ไม่จําเป็นไม่มีเงินซื้อเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราหยุดความอยากซื้อของไม่จําเป็นได้ด้วยการเอาเงินที่เราจะซื้อของไม่จําเป็นนี้มาทําทานแทนอันนี้ก็เป็น ขั้นต้นของการทำทานทำทานเพื่อให้เราลดความอยากที่เป็นต้นเหตุของการพาให้เรามาเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นเองพาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันทำให้เราทุกข์กันถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากกองทุกข์เราก็ต้องตัดความอยากต่างๆให้หมดไปขั้นต้นเราก็ตัดความอยากจากการที่จะใช้เงินทอง ไปทำตามความอยากต่างๆเอามาทำทานแทนแล้วการทำทานนี้จะทำให้เกิดความสุขใจอิ่มใจจะทำให้ไม่หิวกับการอยากจะซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นได้ถ้าเราทำอย่างนี้ไปบ่อยๆต่อไปความอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะไม่มีอยู่ในใจจะอยู่แบบสมถะเรียบง่ายได้ ใช้ของเก่าได้ไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเพราะความอยากจะซื้อของใหม่ไม่มีถ้าจะต้องซื้อของใหม่ก็ต้องเป็นเพราะว่าของเก่านี้มันชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้ได้แล้วเท่านั้นถึงจะไปซื้อของใหม่มาทดแทนแต่ถ้าของเก่ายังใช้ได้อยู่ก็จะไม่เอาเงินทองไปซื้อของใหม่มา ถ้าจะเอาเงินทองไปซื้อของใหม่ก็เอาไปทาทานดีกว่าต่อไปก็จะทาทานได้มากขึ้นไปตามลำดับเพราะจะสามารถงดรายจ่ายที่จะไปใช้กับกิจกรรมที่ไม่จําเป็นต้องทำเช่นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายการไปแต่งบันเทิงต่างๆไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆการไปดูมห์ลพต่างๆ กิจกรรมเหล่านี้ก็จะลดลงไปตามลำดับเมื่อเราได้เห็นคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากการทำทานว่าเป็นความสุขที่ดีกว่าที่อิ่มกว่าที่ทำให้เราไม่รู้สึกหิวโหยกับการที่จะไปทำอะไรตามความอยากต่างๆการทำทานของเราก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นไปตามลำดับ แล้วเวลาที่เราจะมีให้กับการปฏิบัติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับนะ <Yeah. S 1> พรเมื่อเราไม่ไปช้อปปิ้งเราไม่ไปซื้อกระเป๋ารองเท้าอเราไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆเราไม่ไปไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ <Yeah. S 2> เราก็จะมีเวลาที่จะมานั่งสมาธิกันมีเวลามาเจริญสติกัน อันนี้เป็นการเรียกเอาเรียกเอาเวลาอันมีค่ามาใช้กับการปฏิบัติที่มีคุณค่าแก่แก่ชีวิตจิตใจคือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราทำทานอยู่เรื่อยๆแล้ ว, ลวเราจะรู้สึกว่าการรักษาศี่ห้านี้มันเป็นของง่ายไดย้เพราะการทาทานนี้ทำให้เรามีความเมตตา มีความปาฏิหาริย์ดีต่อผู้ร่วมโลกต่อผู้อื่นเวลาเราจะทำอะไรเราก็จะระมัดระวังเราจะไม่อยากไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นดังนั้นการการะทาของเราก็จะอยู่ห่างไกลจากการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดตัวเวณีการพูดปดโกหกหลอกลวงการดื่มสุรายาเมา เพราะเรารู้ว่าการกระทาเหล่านี้จะนำไปสู่ความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเมื่อใจเรามีแต่ความปรารถนาดีมีความามีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความสุขแล้วเหตุจไหนเราจะมาทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้อย่างไรการรักษาสี่ห้าก็จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ ด้วยอำนาจของทานที่เราทํากันแล้วเมื่อเราได้เห็นความสุขจากการทําทานเห็นความสุขจากการรักษาศีลเราได้ยินได้ฟังว่ามีความสุขที่ดีกว่ากว่าการทําทานกับการรักษาศีลก็คือการภาวนามันก็จะทําให้เราเกิดความสนใจ กิดความปรารถนาที่อยากจะลองสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการภาวนาเราก็จะมานั่งสมาธิกันมาภาวนากันให้มากขึ้นแล้วเราก็จะรักษาศีลแปดได้อย่างง่ายดายเพราะว่าเราได้ยุติการใช้เงินทองไปกับการเที่ยวเตะกับการไปท่องเที่ยวกับการไปดูมหัศจรรย บันเทิงอะไรต่างๆมันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของการรักษาศีลแปดว่าจะทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้มาบาเพ็ญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนะแล้วเมื่อเรามีเวลามาบาเพ็ญมาเจริญสติมานั่งสมาธิกันมากขึ้น โอกาสที่ใจจะสงบก็มีมากขึ้นไปตามลําดับนะแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้สัมผัสกับความสงบได้อย่างแน่นอนจะได้สัมผัสกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงได้นัตติสันติพลังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสงบนี้ไม่ไม่มีมีความสงบนี้แหละเป็นความสุขที่สุดยอด ถ้าเราได้สัมผัสกับความสุขนี้แม้เพียงครั้งเดียวและเป็นเพียงชั่วขณะเดียวมันจะทำให้เรามีฉันทาวิริยมีความปรารถนาอันแรงกลที่อยากจะสัมผัสกับความสุขแบบนี้ไปเรื่อยๆและมีมากขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้เราก็จะกาจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อจะได้ดึงเอาเวลามาปฏิบัติให้มากขึ้นให้ได้แล้วถ้าเราปฏิบัติมากขึ้นความสงบที่เราได้ก็จะมีมากขึ้นไปก็อยากก็จะทำให้เราอยากจะมีความสงบตลอดเวลาเราก็รู้ว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตของเราจากการทำงานทำการหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุข ทางตาหูจมูกเล่นกายเราก็คิดว่ายุติวิธีหาความสุขแบบนี้ดีกว่าเรามาหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้เงินทองแต่ต้องมีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิเมื่อถึงเวลานั้นเราก็อาจจะทําทานแบบพระพุทธเจ้าแบบพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายทํากันได้คือสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ ให้แก่ผู้อื่นไปแล้วเราก็ไปบวชไปบําเพ็ญไปอยู่แบบนักบวชกันไปเจริญศีลสมาธิปัญญากันอย่างเต็มที่เต็มร้อยตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเติ่นขึ้นมาก็เจริญสติไปทำอะไรก็มีสติอยู่กับการกระทำหรือบริกรรมพุทโธไปกับการกระทำต่างๆ พอไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วถ้าสติมีอย่างต่อเนื่องจิตก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิ่งทำบ่อยยิ่งทำมากยิ่งมีความชำนาญต่อไปก็จะสามารถนั่ง สลับกับการเดินจงกรมไปได้ทั้งวันไม่ต้องทำกิจกรรมอย่างอื่นเพราะไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากการปฏิบัติจากการเดินจงกรมจากการนั่งสมาธินี้เองถ้าเราได้บำเพ็ญอย่างนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วแล้วก็ก็จะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างรวดเร็วอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่า ถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีรับรองได้ว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันอย่างแน่นอนนี่คือขั้นตอนของการบำเพ็ญจากจุดเริ่มต้นไปสู่จุดที่บรรลุมรรคผลนิพพานก็ทางก็เกิดจากการทำจากเล็กจากน้อยไปหามากนั่นเอง เพราะตอนต้นเราไม่มีเวลามากเพราะเรายังติดอยู่กับกิจเอาเวลาต่างๆเอาเวลาไปทำกิจกรรมต่างๆเลยไม่มีเวลามาแบ่งให้กับการบาเพ็ญไม่มีเวลามาเจริญสติสมาธิเท่าที่ควรแต่พอเราได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ฟังแล้วว่าถ้าอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพานเราต้องทำทานเราต้องรักษาศีลเราต้องเจริญสตินั่งสมาธิ และเจริญปัญญาเมื่อเรารู้ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำแล้วเรายังไม่มีเราก็ต้องมาทำกันมาสร้างมันขึ้นมาสร้างทานขึ้นมาสร้างศีลขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิสร้างปัญญากันขึ้นมาพอเราได้เริ่มบําเพ็ญแล้วเราก็จะได้เริ่มสัมผัสกับผลเล็กๆน้อยๆไปก่อนเหมือนกับการชิมรสของอาหารไปก่อน พอได้ชิมรสของอาหารแล้วเห็นว่าเป็นอาหารอันโอชะก็มีความอยากจะรับประทานอาหารนั้นก็รู้ว่าจะต้องทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลำดับเราก็จะพยายามลดกิจกรรมอย่างอื่นไปทำให้น้อยลงไปเอาเวลามาทำกิจกา ร, รทาง การทำใจให้สงบให้มากขึ้นไปแลกเปลี่ยนกิจกรรมกันเปลี่ยนจากกิจกรรมทางร่างกายมาสู่กิจกรรมทาง จ, จิตใจเมื่อก่อนหาความสุขผ่านทางร่างกายแต่พอได้พบกับพระธรรมคำสอนแล้วได้เรียนรู้วิธีหาความสุขจากการบาเพ็ญจากการปฏิบัติทานศีลภาวนาก็จะมามาหาความสุข จากการบําเพ็ญทานศีลภาวนาแทนนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องบําเพ็ญกันถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้บําเพ็ญและบําเพ็ญไม่ได้มากเราก็ต้องพยายามบําเพ็ญให้มากขึ้นให้ได้ถ้าเราเอาแต่ศึกษาฟังอย่างเดียวแล้วเราไม่นําเอาไปบปําเพ็ญหรือบําเพ็ญเท่าที่เราเคยบําเพ็ญอยู่ะ เคยทำบุญเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นเคยนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็นั่งเท่านั้นเคยเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมเท่าไหร่ก็ฟังเท่านั้นถ้าเราทำเท่าเดิมผลก็จะได้เท่าเดิมจะไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมถ้าเราอยากจะให้ผลมันเกิดมากขึ้นกว่าเดิมเราก็ต้องบาเพ็ญให้มากขึ้นกว่าเดิมทำทานให้มากกว่าเดิมรักษาศีลให้มากกว่าเดิม จเจริญสติให้มากกว่าเดิมนั่งสมาธิให้มากกว่าจเจริญปัญญาฟังเทศฟังธรรมให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นไปตามลาดับแล้วเราจะได้ได้ผลมากขึ้นไปตามลาดับนั้นเองผลนี้เกิดจากเหตุเหตุคือการบำเพ็ญการปฏิบัติที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุ ป, ปฏิปันโน ถ้าไม่มีสุปฏิปนโนผลก็จะไม่เกิดสุปฏิปนโนก็คือการปฏิบัติทุกแบบเต็มที่นั่นเองเต็มร้อยไม่ใช่ปฏิบัติแบบครึ่งๆึกลางๆลอถ้าปฏิบัติแบบครึ่งครึกลางๆก็จะได้ผลครึ่งครึกลางๆงถ้าอยากจะได้ผลเต็มร้อยการปฏิบัติเหตุก็ต้องเต็มร้อยเช่นเดียวกันผลถึงจะเป็นเต็มร้อยได้ ไม่มีใครที่จะมาเสกมาเป่าให้เกิดผลขึ้นมาได้เองโดยที่ไม่ไม่ได้จะไม่ได้บําเพ็ญไม่ได้จเจริญเหตุเนีเหตุเท่านั้นที่จะทําให้เกิดผละเหตุก็คือสุปฏิ ป, ปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติที่ถูกต้อง นี่คือลักษณะของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ทาให้ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้กลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาคือเป็นผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมานั่นเองเราจึงเรียกว่าพระอริยสงสาวกดังที่เราสวดกันในบทสังฆคุณ สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนสาวกสังโฆเนี่ยสาวกก็แปลว่าสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็ น, ปนคือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติต่อการหลุดพ้นเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวนี่นี่คือสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องปฏิบัติ ขั้นที่สองต่อจากขั้นที่หนึ่งก็คือขั้นปริยัติเนี่ยเมื่อเราได้ศึกษาแล้วเรารู้แล้วหายสงสัยแล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็ต้องเข้าสู่กระ บ, บวนการของการปฏิบัติเนี่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเรารอให้ผลเกิดขึ้นเองเพราะคิดว่าเราได้ศึกษาแล้วเมื่อเราได้ศึกษาแล้วผลมันน่าจะเกิดขึ้นมาเอง ผลมันไม่เกิดขึ้นมาจากการศึกษาเพราะการศึกษาไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลขึ้นมานั่นเองการศึกษาเป็นเหตุให้เราได้ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้เมื่อเรามีเหตุที่จะทําให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วขั้นที่สองเราก็ต้องไปปฏิบัติดีไปปฏิบัติชอบนั่นเอง เมื่อเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยขั้นที่สามก็จะตามมาคือปฏิเวทปฏิเวทก็คือการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยผลที่ได้รับจากการปฏิบัติก็มีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี่มรรคสี่มรรมีสี่ขั้นมีบันไดสี่ขั้นด้วยกัน เพราะผลที่จะได้จากมรุก็มีอยู่สี่ขั้นมรุขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาปฏิมรุกเมื่อก้าวขึ้นสู่โสดาปฏิมรุกไปก็จะไปถึงโสดาปฏิผลมรุก็คือการบำเพ็ญปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในทมขั้นของพระของขั้นโสดาบัานนั่นเองก็ต้องบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา ศีล ส, สมาธินี้จะเหมือนกันทุกขั้นจะต่างกันตรงที่ปัญญาปัญญาแต่ละขั้นนี้เป็นปัญญาที่จะเอาไปใช้การละสังโยชน์ที่มีต่างกันไปตามแต่ละขั้นของแต่ละขั้นสังโยชน์นี้มีอยู่สิบข้อด้วยกันในขั้นแรกก็มีอยู่สามที่เรียกว่าสกายะทิฏฐิสีลพัตปรมาร วิจิตกิจฉาจักย่าทิฏฐิก็คือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่าเวทนาความความเจ็บความสุขความรู้สึกเป็นตัวเราของเราความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นตัวเราไม่ได้เป็นของเราเป็นสภาวธรรมร่างกายก็เป็นสภาวธรรมที่เกิดจากดินน้ำลมไฟ เวทนาก็เกิดจากาการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เกิดในการมีเวทนาต่างๆปรากฏขึ้นมามีสุ ข, ขเวทนามีทุกขเวทนามีไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเป็นต้นผู้บำเพ็ญจะต้องใช้ปัญญาแยกกายแยกเวทนาออกจากผู้บำเพ็ญคือใจให้ได้ ให้รู้ว่าผู้มันเป็นคือใจนี้ไม่ได้เป็นกายไม่ได้เป็นเวทนาแล้วให้ปล่อยกายปล่อยเวทนาไปตามความเป็นจริงของเขาเพราะไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นไปตามความต้องการของใจของผู้ปฏิบัติไดเ้เมื่อปฏิบัติไปก็จะสามารถปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับเวทนา ก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากให้ร่างกายเป็นไปเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ร่างกายมันไม่ได้เป็นตามที่เราต้องการให้มันเป็นเวทนามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้มันเป็นเราก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันพอเราปล่อยเราก็หายทุกข์กับเรื่องของร่างกายเรื่องของเวทนา เราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นทุกสมุทัยนิโรคมักนี้เองเห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราให้เวทนาให้ร่างกายเป็นไปตามความอยากของเราแต่ร่างกายกับเวทนามันไม่ได้เป็นไปตามความอยากของเราเสมอไปมันจะต้องมีวันหนึ่งที่มันจะเป็นไปตามเรื่องของมันและเราไม่สามารถไปทำอะไรได้ถ้าเราหยุดความอยากให้มัน เป็นไปตามความต้องการของเราได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเราไม่หยุดเราก็จะทุกข์เราก็จะเห็นนิโรธเห็นมรรคเห็นมรรคก็คือเห็นว่าปัญญาเห็นความจริงเห็นสัมมาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเวทนาไม่ใช่เราต้องปล่อยให้เขาเป็นไปเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศเราไม่สามารถไปควบคุมไปสั่งไปบังคับเขาได้ อันนี้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาผู้ที่เห็นธรรมก็ผู้ที่จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นเองผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบก็คือพระอริยสงสาวกุกก็จะทําให้ไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วก็จะไม่ไปทําบรเพ็ญวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการ ทำพิธีสะเดะาะเคราะห์กรรมต่างๆสะเดาะความทุกข์ต่างๆทำไม่ได้เพราะความทุกข์ไม่ดับจากการที่เราไปาไปทำพิธีกรรมสะเดะาะเคราะห์ไปดับความทุกข์ต่าง ๆ, ๆความทุกข์ดับจากการที่เราหยุดความอยากของเราผูา้ที่เห็นอ ร, าาริยสัจสี่ก็จะไม่ไปทาพิธีสะเดะาะเคราะห์อะไรต่อไป เวลาทุกข์ก็เข้ามาพิจารณาหาต้นเหตุสาเหตุของความทุกข์ว่ามันกำลังอยากอะไรอยู่พอคนพบว่าอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้พอหยุดมันปั๊บความทุกข์ก็จะหายไปอันนี้ก็จะได้บรรลุถึงโสดาปติผนโสดาปติมัค ก, ก็คือการใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายเวทนาให้เห็นว่า ไม่เป็นตัวตนเป็นสภาวะธรรมเหมือนฝนฟ้าอากาศต้องปล่อยให้เขาเป็นฝนฟ้าอากาศอย่าไปควบคุมบังคับให้เขาเป็นความเป็นไปตามความต้องการของเราเพราะมันจะเป็นไปไม่ได้ตลอดไปพอเป็นไปไม่ได้ก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยนี่คือเรื่องของการบาเพ็ญมรรคมีอยู่สี่ขั้น โซดาปฏิมากราสังโยชน์สสกิดาคามีมักก็ทําให้สังโยชน์อีกสองเบาบางคือรูปราคะเอ่อคือกา ร, รมราคะและปฏิฆะกา ร, รมราคะก็คือความอยากเสกกรรมความกําหนัดยินดีกับการเสกกามกับการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นพอเกิดความเกิดกา ร, รมาราคะมันก็จะมีปฏิฆะตามมา ความหงุดหงิดลำคาญใจเมื่อเมื่อเมื่อยังไม่ได้เสพมันก็ยังหงุดหงิดอยู่แต่พอได้เสพแล้วความหงุดหงิดก็จะหายไปปุตุชรผู้ที่ไม่เข้าใจว่าการกระทําตามความอยากนี่ไม่ได้เป็นวิธีดับความหงุดหงิดลำคาญใจเป็นเพียงแต่การบรรเทามันชั่วเผ่าเท่านั้นก็จะไม่รู้ก็จะ บำบัดด้วยการทำตามความอยากอยากจะเสพกามก็เสพกันพอได้เสพกามความหวดหิดรำคาญใจก็หายไปแต่เดี๋ยวไม่นานความอยากเสพกามก็โผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะกำจัดการเสพกามก็ต้องเจริญอสุภะเท่านั้นต้องดูร่างกายของผู้ที่เราหลงไหลข้างใครว่าน่ารักหน้าดูหน้าชมให้เห็นว่าไม่สวยไม่งาม น, นึกถึงตอนที่ร่างกายเขาตายไปแล้วกลายเป็นซากศพแล้วตายสามวันตายห้าวันขึ้นเอิดขึ้นมาเป็นเป็นเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวชะฟอกสีสีเขียวช้ำไปตามตัวมีน้ํามีเลือดน้ําเลือดน้ํำน้องอะไรไหลออกมาได้เห็นร่างกายที่สวยงามกลายเป็นซากศพมันก็จะดับกามาอารมณ์ได้หรือจะมองเข้าไปภาย ภายในของร่างกายก็ได้ดูอวัยวะต่างๆใต้ผิวหนังใต้เนื้อใต้เนื้อก็มีกระดูกโครงกระดูกมีตับมีไตมีหัวใจมีปอดมีลำไส้มีสมองมีสิ่งต่างๆที่ไม่น่าดูอยู่ที่ถูกปกปิดด้วยหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองถ้ามองทะลุเข้าไปได้ความกําหนัดความราคาก็จะหายไปป้าสกิดาคารีก็ทําได้ เป็นบางเวลาทําให้การมาราคะเบาบางลงไปเมื่อทําให้การมาราคะปฏิกะเบาบางลงไปก็เรียกว่าได้บรรลุถึงขั้นที่สองได้สุดาสกิดาคามีผลอยากการเจริญสกิดาคามีมากคือการพิจารณาอสุภะแต่ยังไม่พิจารณาอย่างต่อเนื่องยังไม่เห็นตลอดเวลาถ้าพิจารณาต่อไป จนชำนาญสามารถเห็นอสุภะตลอดเวลาก็จะได้ขั้มได้ขั้นที่สามก็คือขั้นอนาคามีผลการจเจริญอย่างต่อเนื่องการจเจริญอสุภะอย่างต่อเนื่องจนไม่หลงไม่ลืมเห็นทีไรก็เห็นว่าเป็นอสุภะทุกครั้งไปการอารมณ์ที่มีอยู่มันก็จะไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้ ความอยากจะเสพการมันก็หมดไปพอได้เป็นพระอนาคามีแล้วก็จะไม่ต้องกลับมามีร่างกายอีกต่อไปเพราะใจไม่มีความอยากที่จะมีร่างกายเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่รู้จะมีมันไปทาไมก็จะไม่กลับมาเกิดถ้ายังไม่บรรลุถึงพระนิพพานก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม เพราะยังไปติดอยู่กับความสุขที่มียังมีอยู่ในใจยังไปติดอยู่กับสังโยชน์อีก5้าข้อที่มีอยู่ในใจอยู่ที่ยังไม่ได้กาจัดสังโยชน์ที่มีห้าข้อที่พระอนาคามีต้องบําเพ็ญต้องบาเพ็ญคือรู ป, ปราคะความยินดีในรูปฌปานอรู ป, ปราคะความยินดีในอรูปฌปานมานะการถือตัวอวิชชาความไม่รู้ การไม่รู้ อ, อ, อริยสัจสี่คือยังการยังไม่รู้การความอยากที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจอยากในรู ป, ประชาญอยากในอรู ป, ประชาญยังติดอยู่ยังมีความอยากอยู่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะค้นคว้าดูว่ากำลังอยากอยู่กับอะไรถ้าใช้ปัญญาแบบผักโหมไม่ไม่รู้จักพักผ ก็จะเกิดอุทจฉาความฟุ้งซ่านขึ้นมาเป็นสังโยชน์อีกตัวหนึ่งผู้บำเพ็ญเมื่อถึงจุดนี้แล้วจะต้องพิจารณาแต่ต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักพักจิตเพราะฉะนั้นพิจารณาแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอุทจฉะความฟุ้งซ่านแล้วจะไม่เกิดประโยชน์จากการพิจารณาต้องพิจารณาพอสมเหตุสมผลพอสมกับกําลังของจิตถ้าจิตเริ่มฟุ้งก็ให้หยุดแล้วกลับมาทําจิตให้สงบก่อน พอออกจากความสงบก็มาพิจารณาหาตัณหาความอยากที่ยังมีอยู่ให้หมดไปความอยากในรูปราคะในในรูปฌานความอยากในอรูปฌานความถือตัวมานะความถืออัตตาตัวตนความไม่เห็นความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในจิตมันก็จะหมดไปเมื่อหมดไปแล้วสังโยชน์ก็จิตก็จะสะอาดบริสุทธิ์ก็ได้ ก็จะได้บรรลุอรหัตผลเมื่อได้อรหัตผลก็จะได้นิพพานเพราะนิพพานก็คือผลที่ตามจากการได้อรหัตผลคือเมื่อได้กำจัดอรหัตผลก็คือการละสังโยชน์ที่เหลืออยู่ห้าข้อให้หมดไปพอสังโยชน์ห้าข้อได้ถูกบำกำจัดหมดไปที่เหลือก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจ ใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี่ก็เลยเรียกว่านิพพานไม่ได้เป็นอาหารหัตผลอาหารหัตผลคือการกําจัดสังโยชน์หข้อแต่ใจที่สะอาดบริสุทิ์ไม่มีสังโยชน์ทั้ง10ข้อเรียกว่านิพพานนี่ก็คือเรื่องของมรรคผลนิพพานที่จะเกิดขึ้นจากการที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ และการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เกิดขึ้นจากการได้ฟังเทศฟังธรรมได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าจะต้องบาเพ็ญอย่างไรต้องปฏิบัติอย่างไรนี่คือธรรมสามสามชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินไปตามขั้นถ้าข้ามขั้นตอนแล้วจะไม่ ไม่ได้รับผลถ้าไม่ศึกษาไปปฏิบัติเลยก็จะไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็จะไม่ได้ผลถ้าศึกษาแล้วไม่ไปปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเช่นเดียวกันต้องศึกษาศึกษาแล้วก็ไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมรสี 4, ผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลตามมาคือปฏิเวทธรรม นี่คือหลักของพระพุทธศาสนาหลักของการบำเพ็ญพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันแล้วนํเอามาสั่งสอนให้พวกเราที่ยังไม่ได้บำเพญ็ญได้บำเพ็ญกันอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับผลกันดังนั้นขอให้พวกเราจงบำเพ็ญตาม ขั้นตอนที่ได้ส่งวางไว้ให้ศึกษารายละเอียดของการบําเพ็ญให้รู้ว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอย่างไรเมื่อรู้แล้วก็ขอให้นําเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําทานรักษาศีลภาวนาอย่างเต็มร้อยแล้วมรรคผลมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะเป็นผลที่ตามมาเป็นปฏิเวทนี่เองน นี่คือหลักธรรมหลักการบําเพ็ญสู่การหลุดพ้นคือ1ปริยัติธรรม2ปฏิบัติธรรมสปฏิเวทธรรมเนี่ยธรรมทั้งสามขั้นนี้เป็นธรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ที่เราจําเป็นที่จะต้องบําเพ็ญไปตามขั้นตามตอนนีจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในธรรมทั้งสามนี้แล้วนําเอาไปบําเพ็ญกัน รับรองได้ว่าผลที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่ท่านทั้งหลายจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงธรรมก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตตังปฏิตังสุมหังคิดปเมวะสมิจจตุสัพเทปเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีธีคายุโกภวะอภิวาธนาสีิทสะนิจังวุทธาปจายโนจตารโธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลา ลำ ด, ดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคําถามอยากจะถามก็ถามได้ตอนนี้ประจนถึงตอนเลิกประชุมเลยแต่พอหลังจากเลิกประชุมแล้วก็ของยุ ต, ติการถามตอบปัญหาถ้าใครมีก็เชิญมาถามได้บนศาลานี้เรามีไมโครโฟนให้ท่านได้พูดเพื่อผู้ฟังทั้งหลายจะได้ยินคําถามกันอย่างชัดเจน ถ้ายังไม่มีจะให้ผู้ที่ติดตามอยู่ทางบ้านถ่ายทอดสดทาง Facebook กับ YouTube ได้ส่งคำถามเข้ามาวันนี้ทางเฟซเข้ามาเท่าไหร่เ c e b o o k สูงสุดสามร้อยสามสิบสาคนคะ่ะตอนนี้หนึ่งอแดสิบเอ็ดค่ะแล้วทาง YouTube YouTube สูงสุดหกสิบหกคนคะ 66, ่ะ66สิบหกตอนนี้เหลือห้าสิบเอ็ดคนคะ่ะแล้วก็คลิปทำนมำบนเขาทีวีคะ่ะมีเมื่อเช้าที่โพสต์ไป เรื่องเกี่ยวกับเกิดชาติหน้าจะได้พบศาสนาพุทธไหมมีผู้เข้าชมตอนนี้ประมาณสาม0มื่นกว่าคนนะคะชมรู้ับรู้เข้าถึงมั้เข้าถึงเข้าถึงแล้วก็คลิปเรื่องเกี่ยวกับการทำสังฆทานค่ะไม่ต้องละไม่ต้องรายงานเาแค่ไม้พอแล้วแลคำถามจากผู้ฝากถามที่สารานะคะ หลวงปู่ม่านกล่าวว่าได้สมบัติทั้งปวงไม่เท่าได้ตนเพราะตัวตนนั้นเป็นที่เกิดแห่งสมบัติทั้งปวงได้ตนหมายถึงบารุธรรมใช่ไหมคะตัวตนเป็นที่เกิดของสมบัติทั้งปวงหมายความว่าอย่างไรคะอันนี้ก็ไม่อยากจะตอบแทนท่า น, นเพราะมันมีมันมีความหมายที่จ ะ, ะแปลไปได้หลายทางด้วยกันก็เลยเดี๋ยวแปลไม่ตรงกับที่ท่านพูด ก็ไม่พูดดีกว่าเพราะปัญญาเราไม่เท่ากับของหลวงปู่มันต้องขอยกท่านไว้บนหิ่งข้อต่อไปนะคะแก่นของพระพุทธศาสนาคืออะไรและจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงแก่นของพระพุทธศาสนาแก่นก็คือพระอริยสัจสี่นี่คือแก่นของพระพุทธศาสนา ถ้าไม่มีอริยาาสัจสีก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาการจะเข้าถึงแก่นของพระพุทธศาสนาได้ก็ต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ได้เทศที่ได้แสดงไว้ในวันนี้เป็นทางเข้าสู่แก่นของพระพุทธศาสนาเมื่อได้เข้าถึงแก่นแล้วก็จะได้รับประโยชน์จากการได้เข้าถึงแก่นก็คือการได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไป และยึติการเกิดแก่เจ็บตายที่จะไม่มีวันที่จะมีอีกต่อไปต้องให้เข้าถึงแก่นการเข้าถึงแก่นได้ก็ต้องเข้าด้วยทานศีลภาวนาเพราะตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่แก่นเราอยู่ข้างนอกแก่นเหมือนผลไม้เราต้องปอกเปลือกเราถึงจะเข้าไปถึงเนื้อถึงมเมล็ดของผลไม้ได้ทัในใดเราก็ต้อง การจะเข้าถึงแก่นเราก็ต้องเข้าด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาอย่างที่ได้แสดงไว้ในวันนี้คำถามฝากถามจากทางบ้านคะ่ะจากคุณนงรักษ์เวลาที่เราทำบุญไปแล้วแต่เราไม่รู้สึกเกิดปิติสักครั้งแต่เราก็ทำเป็นประจำเรื่อยๆจะได้บุญหรือเปล่าคะได้คือเราชินกับบุญที่เราทำถ้าเราอยากจะได้ปิติล้วก็ต้องทามากกว่าเดิม กันได้ไหม <laughs> ไม่เชื่อเําทำดูดิดทาสักสองเท่าจากที่เราเคยทำอยู่มันก็จะปิติมากขึ้นทุกครั้งที่เราทำอะไรมากกว่าเดิมมันจะเกิดปิติกอนที่เราเกิดปิติครั้งแรกเพราะเราไม่เคยทำพอเราทำมันก็เกิดปิติขึ้นมาเพราะเราทำเราทาจากศูนย์ขึ้นไปสู่ระดับที่เราทำอยู่แต่พอเราทำไปเรื่อยความความเคยชินกับ าการกระทํานี้มันก็เลยทำให้เราไม่รู้สึกมีปิติแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความสุขใจก็มีความสุขใจเพราะบุญทุกครั้งที่ทำมากหรือน้อยก็มีความสุขใจแต่ความปิตินี้มันจะเกิดจากการที่เราเพิ่มปริมาณของการทํำเ ร, เราไม่เชื่อลองไปเพิ่มดูสิ <c oughs> <c oughs> ลองลองให้ทั้งหมดเลยเราสละทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเลย ถ้าไม่เกิดปิติให้มาเหยียบหน้าได้ <laughs> อย่ามาเหยียบหน้าเ <laughs> พราะเราเคยมาแล้ววันที่เราตัดสินใจบวชนี่มันไม่มีอะไรปิติเท่ากับวันนั้นเลยท้องฟ้าแจ่มใสบวชมองเห็นบนเม่อะไรแสงสีผ้าทิศนี่มันสดใสสวยงามยังไม่เคยเห็นมาก่อนล อ, องทําดูก็แล้วกัน เราตัดสินใจออกบวช ด, ดู oh. <laughs> เวลาที่มีเมตตากับเด็กทํางานในบ้านเรากลับมีความรู้สึกเข้าไปในใจมากเห็นรู้แล้วก็วางแล้วก็เฉยถ้าเป็นแบบนี้จะทําอะไรต่อไปเพื่อการสะสมบุญเพื่อทางแห่งการพ้นทุกข์ค่ะการเฉยนี่ก็คือสุดยอดของบุญนะการที่เราปฏิบัติทั้งหมดนี่ก็เพื่อให้ใจเราเฉยนั่นเองเฉยกับทุกอย่างเฉยกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะความเฉยของใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการที่ผ่านเวทนาเวลานั่งไม่ได้จะไม่สามารถบรรลุธรรมหรือครับมีเวทนาตัวอื่นไหมครับที่สามารถผ่านไปได้นอกจากเวทนานั่งกังวลมากอย่างมากอยู่ในเวทนาได้แค่ชั่วโมงกว่าๆไม่สามารถผ่านเวทนาหนักๆ ห, ห, หลายชั่วโมงได้ครับ มันก็การนั่งผ่านเวทนานี้มันไม่ได้อยู่เป้าหมายที่ว่าที่ว่าเราจะต้องออดับเวทนาเวทนานี้ไม่ต้องดับก็ได้การนั่งเพียงแต่ว่าเราต้องดับความอยากที่จะทําให้เราทุกข์ใจกับการเจอทุกขเวทนาให้ได้เท่านั้นเองคือความทุกข์ใจของเราไม่ได้เกิดจากทุกขเวทนา ความทุกข์ใจของเราเกิดจากความอยากให้ทุกเขเวทนานั้นหายไปถ้าเราสามารถใช้ปัญญาสมาธิมาหยุดความอยากคือปล่อยให้ทุกเขเวทนาเกิดไปคืออย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปอยากให้เขาหายได้ใจของเราก็จะไม่ทุกเขเวทนาเราก็จะอยู่กับทุกเขเวทนาได้อันนี้คือ เป้หมายหลักบางคนเข้าใจผิดคิดว่าจะต้องนั่งจนกระทั่งให้เบืนองฐานทุกขเวทนาหายไปสิ่งที่เราต้องการให้หายไปคือทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเมื่อเราสามารถทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาได้แล้วเราจะอยู่กับนั่งต่อไปก็ได้ไม่นั่งต่อไปก็ได้เพราะเรารู้แล้วว่าเวลาเจอทุกขเวทนาเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่ทุกข์กับเขาะ อันนี้ต่างหากคือเป้าหมายของการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาไม่ได้ต้องการมาควบคุมบังคับให้ทุกขเวทนาหายไปหรือว่าอยู่ภายใต้อานาจของเราทุกขเวทนานี้เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับเขาได้เขาเป็นอนัตตาเหมือนฝนฟ้าอากาศฝนตกแดดออกเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้แต่เราอยู่กับเขาได้โดยไม่เดือดร้อนได้ นี่คือทำที่เราต้องการที่จะเข้าถึงคืออริยสัจสี่นี่เองก็คือการดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเป็นไปลายทางความต้องการของเราซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันจะทําให้เราทุกข์ได้จะอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราก็จะอยู่กับเขาได้เขาเป็นอย่างไหนเราก็จะอยู่กับเขาได้ คำถามจากทาง YouTube l ล v e จากคุณ a อเจเวลานั่งสมาธิควรปิดไฟหรือเปิดไฟครับไม่สำคัญเพราะหลับตาไม่ต้องหลับตาเนะ่เพราะหลับตาแล้วจะเปิดไฟแล้วปิดไฟเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็เท่ากันถ้าอยากประหยัดก็ช่วย <c oughs> วลดภาวาโลกร้อนก็ปิดไฟจะดีกว่าภาคปฏิบัติเขาถึงไม่มีไฟฟ้ากันเนี่ยภาป่าเขาไม่ต้องใช้ไฟฟ้า แล้วก็ไม่จุดเทียนจุดเทียนเดี๋ยวก็เป็นกังวลภาวะกังวลเกิดขึ้นเดี๋ยวนั่งไปแล้วเดี๋ยวเกิดเทียนมันไหมพื้นไหมอะไรขึ้นม า, าส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติจะนั่งในที่มืดกันจะไม่จุดธูปจุดเทียนอะไรางนั้นจะจุดสติตัวเดียวจุดให้มีสติขึ้นม า, เ, าเนี่ยตัวที่ต้องจุดคือสตินะอย่างอื่นไฟจะเปิดหรือปิดไม่เป็นไร แต่ขอให้มีสติอย่าไปปิดสติเป็นนังขายปิดสติเมื่อไหร่ก็ฟุ้งเมื่อ น, นั้นอคําถามจากคุณบีบีอนัตตาทำทุกสิ่งไม่ใช่อะไรยุติดไม่ได้ใช้หรือไม่ครับคือความหมายก็คือเขาเป็นธรรมชาติเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะมาควบคุมบังคับได้ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเราควบคุมบังคับมันได้ในระดับหนึ่งแต่วันหนึ่งมันก็จะไม่ยอมให้เราควบคุมบังคับ ใหนเวลาของเสียนี่ก็แสดงว่ามันมันเ ร, เราควบคุมบังคับมันไม่ได้แล้วเพราะเราไม่อยากให้มันเสียนะครับแต่มันก็ต้องเสียให้เรารู้ไว้เผื่อเวลาที่เราควบคุมมันไม่ได้เราจะได้ทำใจได้ถ้าเราไม่ทำใจเราก็จะเสียใจร้องห่มร้องไห้เช่นร่างกายของเราร่างกายของคนที่เรารักเวลาเขาตายไปถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอนัตตาเราก็เราก็จะเสียใจ แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปควบคุมบังคับร่างกายเขาไม่ได้เขาจะอยู่เขาจะตายมันเป็นเรื่องของร่างกายของเขาที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้แต่เราเห็นอย่างนี้เราก็จะไม่เสียใจคําถามจากทาง Facebook Live ค่ะจากคุณพัทรพงษ์การฝึกวิปัสสนาให้สามารถเริ่มปัดกิเลสได้จริงต้องฝึกสมาธิให้ได้ระดับไหนก่อนสามารถฝึกสมาธิและ ว, วิปัสสนาไปพร้อมกันได้ไหมครับ ได้แต่คนละช่วงท่านั้นเองชั่วโมงนี้เรานั่งสมาธิชั่วโมงต่อไปเราก็ไปปริภาชนาไปพิจารณาดูเช่นอยากกาแฟก็ลองอยากไปดื่มกาแฟดู mm. ดูซิว่าทุกข์ไม่ทุกข์ถ้าไม่ดื่มแล้วไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราตัดความอยากได้ถ้ายังตัดถ้าอยากแล้วยังไม่ได้ดื่มแล้วทุกข์ก็แสดงว่ายังตัดความอยากไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิมีกาลังไม่พอ ก็กลับไปนั่งสมาธิต่ออย่าไปดื่มกาแฟ <c oughs> <c oughs> กลับไปนั่งสมาธิต่อแล้วออกมาก็ลองดูเวลาอยากกาแฟก็อย่าไปดื่มมันเองดูซิว่ายัางทุกข์อีกเปล่าเอถ้าทุกข์ก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ตามอย่างนี้สลับกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดกําลังไปเองนคือหมายถึงว่าเวลาที่เราออกมาเจอนอกสมาธิคือตัดด้วยปัญญาแต่ถ้ากําลังไม่พอ ก, ก็คือไปใช้สมาธิช่วยก่อนอ่า คำถามจากผู้ไม่ขอออกนามตอนนี้ยังทำงานอยู่อาศัยการเจริญสติตลอดวันไปก่อนเท่าที่ทำได้และนั่งสมาธิช่วงเช้าและก่อนนอนแต่ชั่วโมงการ น, นั่งจะไม่ยาวเหมือนลางงานไปภาวนาคนที่ทำงานแต่อยากปฏิบัติทำเรื่ยอาศัยทำอย่างนี้ก่อนได้ไหมคะเพื่อให้การปฏิบัติไม่ถดถอยไปมากก็พยายามทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เวลาใดที่เราเอาไปใช้กับกิจกรรมที่เราเลือกได้ก็เลือกทากิจกรรมนั้นเสียไปดูทีวีไปดูละครไปทําอะไรที่เราสามารถดึงออกมาใช้กับการภาวนาได้เราก็ดึงออกมาใช้กับการภาวนาเพราะประโยชน์สุขที่จะได้รับมันได้มากกว่ากันนั้นเอง คำถามจะคุณปาล์มผมบริกรรมพุโทโธและทำความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจจนรู้สึกว่าลมหายใจหายไปผมก็บริกรรมพุโทโธต่อไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกเหมือนกำลังนอนหลับแต่รู้สึกตัวตลอดและก็นิ่งไม่คิดอะไรนี่เรียกว่าอาการตกกลุ่มตกบ่อหรือเปล่าครับหรือผมต้องดึงพุโทโธกลับมาบริกรรต่อเพราะตอนนั้นอยู่ๆผมก็หยุดนึกพุโทโธเองเหมือนพุโทโธหายไป ถ้ามันสงบนิ่งไม่คิดพุงแต่งอะไรแล้วมีความสุขก็ใช้ได้ก็เป็นความสงบเหมือนกันความสงบบางครั้งก็อาจจะไม่ต้องตกหลุมตกบ่ก็ได้หรือ ว, ว่ามันยังไม่สงบเต็มที่มันแจ้งสงบไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มที่ก็อาจจะเป็นในลักษณะที่เป็นอยู่ <c oughs> ก็นั่งเฉยๆไปถ้ามันนั่งเฉยๆมีความสงบมีความเย็นสบายก็ไม่ต้องทำอะไรให้นั่งไปนานๆฝึกความนั่งฝึกความนิ่งไว รักษาความนิ่งไว้เพราะความนิ่งแหละเป็นอาวุธที่เราจะสู้กับกิเลสเวลาเกิดความอยากดื่มกาแฟก็นิ่งเฉยไปทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปเหมือนกับตอนที่เรานั่งสมาธิไปแล้ว เ, เดี๋ยวต่อไปความอยากดื่มกาแฟมันก็จะหมดกําลังไปคําถามจากคุณบัวทิพย์ช่วงนี้ได้มีโอกาสไปทําบุญนั่งสมาธิที่วัดบ่อยมากขึ้นเรารู้สึกว่าเวลาไปทํางานเราก็อยากจะไปแต่วัดเจ้าค่ะ เป็นอย่างนี้บ่อยๆถือเป็นกิเลสไหมคะมันจะเป็นกิเลสก็ต่อเมื่อมันทาให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจดนั้นบางทีเราต้องยืนอยู่บนหลักของความเป็นจริงตอนนี้ถ้าเราไปวัดไม่ได้เราต้องทำงานก็อย่าไปอยากไปวัดเวลาไปวัดได้กลับไม่อยากไปนี่หน้าตีอยากไปเที่ยวแทนนะเพอพอเวลาไปทางนานอยากจะไปรัดขึ้นมาอันนี้มันเรื่องกิเลสนะี่ใหญ่ไห แังน้บางทีเราก็ต้องความอยากไปวัดดัดดีแต่มันต้องถูกการลาเทศะแล้วไม่สร้างความทุกข์ใจให้กับเราถ้าอยากไปวัดตอนที่เราต้องทำงานนี่มันเป็นกิเลสละเพราะมันไม่อยากทำงานมันก็เลยอ้างไปวัดกันพอพอไม่ได้ทำงานแทนที่จะไปวัดกลับไปช้อปปิ้งกันเถะเลยไปวัดเถอะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคือความอยากทาบุญความอยากไปวัดไปปฏิบัติธรรมนี่เป็นความอยากที่ดี แต่มันต้องมีกาลรรเทศะถ้าไปอยากในในช่วงที่ไม่ไม่สามารถทำได้แล้วทำให้เราทุกข์ก็ควรจะหยุดไว้ชั่วคราวเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเพียงแต่จะสร้างความทุกข์ให้กับเราตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้ยังต้องทำงานก็ทำไปตอนนั้นควรจะอยากทำงานจะได้มีความสุขกับการทำงานแต่เมื่อเราไม่มีความจนเป็นจะต้องทำงานแล้วก็อยากไปอยากทาตอนนั้นควรจะอยากไปวัดได้แล้ว ค ำ, คำถามจากคุณไตรยั์นั่งสมาธิภาวนาพุทโธโดยตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมงทำถูกไหมครับถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องไปไหนเราต้องออก็ต้องตั้งนาฬิกาไว้ก็ได้เพราะถ้าเดี๋ยวเกิดเรานั่งเกินแล้วเราจะขาดกิจวัตที่เราจําเป็นจะต้องทําเช่นเรามีนัดกับใครอะไรจะเสียนัดได้ดังนั้นก็จําเป็นก็ต้องติดตั้งนาฬิกาปลุกไว้ แต่ถ้าเราไม่มีข้อเงื่อนไขใดๆกับการนั่งกับเวลาของการนั่งไม่ควรตั้งควรนั่งไปให้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้จะดีกว่าเพราะเราไปตั้งแล้วบางทีกําลังเข้าได้เข้าเข้มนากาปลุกก็ดังขึ้นมาออก็จะจะไม่ได้ผลที่ควรจะได้แล้บางทีเราก็อาจจะ กังวลกับเรื่องนาฬิกาเฮ้เราตั้งแล้วมันมันดังหรือเปล่ามัน้อจะดังนองังแล้วก็เลย่ลูก้นมาด้องั้นท้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าอย่าไปตั้งอย่าไปอะไร ตั้งสติดีกว่าเอาสติดีกว่ า, เ, า, วาเพราะเราต้องการผลผลจะเกิดก็เกิดจากการมีสติไม่ใจเกิดจากการมีนาฬิกาปลุกคาถามจากคุณลินลี่คนที่ภาวนาสำเร็จเร็วเกิดจากบุญเก่าด้วยหรือเปล่าคะก็มีส่วนนะคนที่เคยทำมาก่อนมีความชานาญแล้วคนที่ขับรถไปแล้วพอมาขับก็ไม่ต้องมาหัดเริ่มต้น มาถึงก็ขับได้เลยคนที่ยังไม่เคยขับก็ต้องมาหัดขับก่อนก่อนคนที่ไม่มีสติก็ต้องมาฝึกสติกันก่อนก่อนที่มีสติแล้วบางทีนั่งเฉยๆก็สงบพระพุทธเจ้าตอนเป็นเด็กเนี่ยนั่งอยู่คนเดียวไม่มีใครมาลุมล้อมไม่มีใครมาลบควรใจทางจิตก็รวมเข้าไปเองโดยอัตโนมัตนะิเพราะจิตมีสติคอยหยุดความคิดปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเมื่อไม่มีอะไรมากระตุ้นให้คิดมันก็เลยไม่คิด พอไม่คิดมันก็เลยเข้าสู่ความสงบไปนอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าของพวกเราได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีมาอย่างมากมายจึยงทําให้การบําเพ็ญของท่านนี้ง่ายมากสละทรัพย์สมบัตินี้ก็ง่ายมากเห็นไหมพระเวชสันดรเคยเป็นพระเวชสันดรมาก่อนพอมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถ ะ, ะสละราชาสมบัติก็เลยง่ายมากเคยทํามาแล้วมีกษัตริย์คนไหนบ้างที่ในปัจจุบันนี้สละราชาสมบัติกันไม่มีอ ว่าไม่เคยบําเพ็ญบารมีมาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้เคยบําเพ็ญบารมีมานั่นเองคำตอบก็คือต้องมีส่วนมากทีเดียวบุญเก่านี่แหละท่าหนหลวงบอกว่าการมีบุญเก่านี้เป็นมงคลอย่างยิ่งการได้ทำบุญมาในอดีตนี้เป็นมงคลอย่างยิ่งหนึ่งในมงคลสามสิบแปดเนีนถ้าเราไม่มีในอดีตล้วก็ทาเสียวันนี้พอชาติหน้าบุญที่เราทาวันนี้มันก็จะเป็นบุญที่เราทาในอดีต ที่มันจะส่งผลให้เราบาเพ็ญได้ไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วงั้นอย่าท้อแท้ขอให้เราทำบำเพ็ญบุญมันอาจจะไม่ได้ผลในชาตินี้แต่มันจะช่วยเราในชาติต่อไปได้เวลาที่เราจะต้องบำเพ็ญคำถามจากคุณเพลิดแล้วขณะนั่งสมาธิรู้สึกมือหนักรู้สึกจิตสงบแทบจะไม่หายใจให้ทำอย่างไรคะ หนูกำหนดพุดโทโธแล้วพยายามกำหนดรู้ที่ลมหายใจถูกไหมครับเอาอย่างเดียวด้วยคับพระพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องสนใจอาการของร่างกายอมันจะหนักจะเบาจะลอยหรือจะจ ม, มก็ไม่ต้องไปสนใจมันเป็นเพียงความรู้สึกนะให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วถ้าจะดูลมก็ให้ดูลมไปอย่างเดียวอย่าสลับไปสลับมาเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้จิตมันอยู่เป็นหนึ่งอย่าให้มันวิ่งไปวิ่งมา ให้เอาอย่างเดียวถ้าดูลมก็ดูที่จุดเดียวดูที่ปลายจมูกหรือดูที่กลางหน้าอกอย่าตามลมเข้าตามลมออกแล้วไม่ต้องไปสนใจกับอาการต่างๆที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นมีครั้งหนึ่งเผลอไม่ได้กำหนดพุทโทแต่ไปเพ่งสิ่งที่ปรากฏในสมาธิคือเห็นเป็นลักษณะคล้ายดวงไฟเป็นสีแดงปนส้มรู้สึกว่าตัวเองเผลอจึงรืมตาทันทีทาให้ปวดหัว บางบางครั้งก็เห็นในสมาธิเป็นภาพพระพุทธรูปควรจะทำอย่างไรคะก็ที่ตอบไปแล้วไงไม่ควรไปสนใจกับอะไรทั้งนั้นให้อยู่กับลมและออยู่กับพุทโธ ท, ที่เราใช้กำกับใจเพียงอย่างเดียวจนกว่าใจจะสงบนิ่งว่างไม่มีอะไร คำถามจากคุณเลิฟธรรมะทุกครั้งเวลานั่ง 40- ถึงห้ินาทีถ้าปวดเน็บชาแล้วก็ขยับแป๊กหนึง่งแล้วนั่งต่อไปอีกพักหนึง่งผิดไหมคะมันไม่ผิดหอรอกเพียงแต่ว่ามันนั่งไม่ต่อเนื่องมันก็เหมือนกับขับรถแล้วก็จอดแวะไปกินน้ํากินท่าแล้วก็ขับต่อไปการเดินทางมันก็เลยไม่ไม่รวดเร็วไม่ไปถึงจุดหมายปลายทางเพราะมัวแต่ทะเ ล, ะลถลายทําไม่นุ่นปั๊บ นั่งไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงไปทำนู่นทานี่ต่อาการนั่งนี้เรานั่งเพื่อต้องการที่จะปล่อยร่างกายเพื่อที่จะดึงใจให้เข้าสู่ข้างข้างในตอนนี้ใจมันอยู่ที่ร่างกายเราถึงใช้สติดึงใจให้ออกจากร่างกายงั้นเวลามีอะไรมาดึงให้เรากลับไปหาที่ร่างกายก็เท่ากับเรากลับไปเริ่มต้นใหม่เราก็จะไปไม่ถึงไหน คำถามจากคุณจงซีนีเพื่อนมีปัญหาครอบครัวจะเลิกลากันแล้วมาปรึกษาเราเราควรวางใจอย่างไรคะก็บอกว่าอันไหนที่ทำให้เขามีความสุขก็ให้เาทำไปกันแล้วกัน <c oughs> เราไม่ทำให้ใครอื่นคนอื่นเขาเดือดร้อนเจียหายคําถามจากคุณนันทิดาการชักชวนพ่อแม่นั่งสมาธิพร้อมกันควรสร้างศรัทธาจริตแก่พ่อแม่อย่างไรดีคะเนื่องจากนิวรอยังมากอยู่ ก็คุยกันก่อนสิถามว่าสนใจไหมสนใจชอบนั่งสมาธิไหมอยากจะลองนั่งสมาธิไหมก็คุยกันเหมือนกับชวนไปเที่ยวชอบไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไหมอยากจะไปไหมถ้าไปก็จะพาไปหลานธนองนั้นอยากจะไปสวรรค์ไหมอยากจะนั่งสมาธิไปสวรรค์ไหมถ้าอยากก็ลองมานั่งกันคุยกันแต่อย่าสอนอย่าสั่งอย่าบอก พ่อแม่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยเราเป็นผู้ฟังไม่ได้เป็นผู้สอนต้องให้พ่อแม่เขาเป็นคนสอนหรือบอกเราเราอาจจะเสนอความคิดได้แต่อย่าไปพูดในลักษณะสั่งสอนกันแล้วกันคำถามสกลุลลินลีการที่หมั่นถือศีลภาวนาจะส่งให้พบแต่สิ่งดีๆทางโลก้วยหรือเปล่าคะคนที่ซื้อสัตย์ขยันทำงานก็ยังเป็นหนี้ อ๋ไม่แน่นนหรเรื่องทางโลกนี่มันมีทั้ ง, ม, งมีเหตุมีปัจจัยหลายด้านเหตุปัจจัยเกี่ยวคนเกี่ยวกับเหตุการณ์แล้วก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้บางทีก็ไปเจอคนที่ดีบางคนก็เจอคนที่คนไม่ดีอีกอย่างก็อาจจะเป็นวิบากของเราเวรกรรมของเราที่เคยทํามาในอดีตมันก็มีส่วนแต่การภาวนาเนี้มันจะทําให้เรารับกับเหตุการณ์ได้ดีขึ้น คือจิตใจเราจะไม่วุ่นวายจะสงบจะรับกับเหตุการณ์ที่ไม่ดีได้ถ้าเรามีมีสติมีสมาธิมีปัญญาคําคำถามสกุลอดีเลกถ้าชาตินี้ปฏิบัติไม่สาเร็จเราตั้งจิตสุดท้ายให้ปฏิบัติชาติหน้าตั้งแต่เกิดเลยได้ไหมครับมันมันตั้งไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติถ้าเราปฏิบัติพอเราไปเกิดต่อมันก็จะปฏิบัติต่อ ถ้าเราไม่ปฏิบัติไปตั้งไว้มันก็ไม่ปฏิบัติอยู่ดีมันต้องตั้งด้วยการปฏิบัติเท่านั้นต้องตั้งด้วยการกระทำคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจะคุณอริสาเวลาที่จิตใจไม่สงบฟุ้งซ่านปัญหามากมายมารุงเรา้าเราควรจะสวดมนต์หรือว่าฟังธรรมคะก็แล้วแต่ถ้าฟังธรรมทาให้เราสงบได้ก็ฟังธรรมไป ถ้าสวมดมนแล้วทำให้ใจเราสงบได้ก็สวดไปได้ทั้งสองวิธีมีอะไรอีกไหมหมดแล้วนะก็นี่ใครอยากจะถามอะไรอีกั้มถ้าไม่มีก็ขอปิดประชุมขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ